มีปัจจุบันได้ทำปัจจุบันเหยื่อต่างๆเป็นปัจจุบันเมื่อมันเป็นปัจจุบันมันจึงใช้ได้ชีวิตจึงใช้ได้แต่มันผิดก็เห็นความผิดเป็นปัจจุบันแต่มันถูกก็เห็นความถูกเป็นปัจจุบันอะไรเปลี่ยนได้แย่ได้ปฏิบัติได้ปฏิบัติ สิ่งที่มันผิดให้มันถูกสิ่งที่มันหลงให้มันรู้เป็นปัจจุบันผิดแล้วรู้แล้วผิดแล้วรู้ผิดแล้วรู้ห ล, ล, ล, ล, ล, ลงแล้วรู้นี่เรียกว่าปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติเมื่อมันเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆได้แก้บ่อยๆได้ทําบ่อยๆในสิ่งที่มันไม่เคยได้ทํา ใ้สิ่งที่มันมีกิ้งมันก็จะต้องแสดงให้เราเห็นมันไม่สงบาการมีสติมาดูกายเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยมันไม่สงบมันจะต้องเกิดอาการอะไรต่างๆมันเข้าไปกวนบางทีก็เกิดการปวดการเมื่อยเกิดการเบื่อหน่ายเกิดความขี้เกียดเกิดการง่วงเหงาห่นอนเกิด ความคิดถุงสารเกิดอะไรท่อแท้ทอถอยบางทีก็เกิดรู้เกิดสุขรู้อะไรเยอะเกิดสงบไปก็ไม่เราก็มีสติสิ่งเหล่านี้สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ใช่สติไม่ใช่ความรู้สึกตัวนั่นมันก็เราทำให้มันเรียบไปอ ม, มันสุข เห็นมันสุขรู้สึกตัวมันเรียบไปแล้วมันทุกข์เห็นมันทุกข์รู้สึกตัวเรียบไปแล้วแต่ไปติดสุขไปติดทุกข์ไปติดหลงไปติดรู้มันโคลงคะอยู่ไปวิธีโคลงค่ะมันเห็นเหรอมันเรียบรู้สึกตัวไปมันสุขก็รู้สึกตัวไปมันทุกข์ก็รู้สึกตัวไปมันหลงมันรู้มันอะไรต่างๆเยแย่ๆนี่รู้สึกตัวไปนะ แต่ว่าสร้างทางสร้างทางให้มันเรียบกูขาที่ใดทาให้มันเรียบมันจึงเป็นการสร้างมันจึงจะเป็นทางให้แต่ยังทุลกทุลเล อ, อยู่มันไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางแต่การเดินทางที่มันกู ข, ขามันไม่สะดวกมันมีการเสียเวลาและ เสียพลังงานเห็นความสุขความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงความไม่ตกกังวลเศร้าหอมองอมันไปเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นการกระทบ ก, กระเทิดป็นเสียพลังงานเหมือนกันขับรถในทางครุขร ะ, ะมันก็เสียกดะซูมชีวิตของเรา ต้องสร้างให้มันเรียบจะให้มันกระทบกระทืนตัวรู้สึกตัวนะมันเรียบอะไรที่มันเกิดขึ้นรู้สึกตัวเนะี่ยเรียกว่าได้ทางเป็นอริยมรรคโดยเฉพาะทางเดินของชีวิตเนี่ยทำให้เรียบได้ในทุกพื้นที่ทางเดินของร่างกายมันทุกพื้นที่อาจจะเรียบไปได้ เพราะมันก็เกี่ยวข้องกับเภตปปัจจัยหลายอย่างห่วยหน้องครองบึงเราทำขณะเดียวไม่ได้ต้องมีงบประมาณมีเครื่องมืออะไรหลายอย่างมีเวลาแต่ว่าทางเดินของกิจใจเนี่ยทางชีวิตของเราเนี่ยเป็นปัจจดตังทันทีเป็นปัจจดตังทาได้ทันที หลงก็รู้ได้มันผิดก็รู้ได้มันโธ่ ก, ก็รู้ได้มันโท ก, ก็รู้ได้มันสุข ก, ก็รู้ได้มันยินดียินไล่มันวิตกกังวลรู้ได้ทาแล้วมันวิตกกังวลทำให้ถั่รู้สึกตัวมันทำความวิตกกังวลให้เรียบตรงแล้วบันทีทันได้เราได้ทำอย่างนี้มันก็เกิดมันก็เกิดการกระทําเลยว่ามันเป็นกรรมจริงๆทํากับมือเราจริงๆนี่เรียกว่ามัก เรียกว่ามักนะแต่ถ้าบางทีเขาก็ไปทางไม่ต้องทําขี้เกียจที่คร้านไม่รู้ไม่ชี้สงบอย่างนั้นแหละความสงบอย่างนั่นเรียกว่าขี้เกลียดติดสงบติดหลับตานั่งอยู่ลขี้เกลียดไม่ได้ทํางานทําการเวลาออกแก้ความสงบยังครูุข่าอยู่เพราะไม่เคยได้ทําเลย ไม่เคยได้ทำก็ยังอ่อนแอยิ่งอ่อนแอไปกว่าเก่าก็ไปติดความสงบวิธีที่ทำให้เกิดความสงบมันก็กล่อมไปเลยบริกรรมเข้าไปหลับตาเข้าไปนั่งเน่งเน่งเข้าไปหามุมสงบเข้าไป <c oughs> ่างทีก็มีครูอาจารย์กล่อมเข้าไปดูไปดูไปหให้สงบให้เน่งนะให้เน่งนะ ก็ยิ่งนิ่งเข้าไปมีอันทีจ่จะกลมให้เกิดความนิ่งบริกรมกรมกสิณสีอะไรต่างๆ <c oughs> เพ่งเข้าไปในมิบเอาไปข้างนอกวาดในมิบขึ้นมาลูกแกวสีให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการสีกล ม, กลม เป็นวงหลายๆวงติดตาแลบตาเลือนตายังเป็นวงยังเป็นกลมอยู่ติดเข้าไปกลอมเข้าไปสงบเข้าไป น, นั่นเลยว่าขี้เกียดขี้ค้านเวลาออกจากความสงบอาการแบบนั้นแล้วยิ่งอ่อนแอเหมือ น, นกับชีวิตของคนบางคนความสะดวกสบาย ที่เกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ไม่เกิดจากเราทำให้ชีวิตก่อนแดร์แต่ความชีวิตบางคน <c oughs> อยากลำบาก <c oughs> จะต้องทำเอาเองหอาอยู่ให้ชินเราเองช่วยตัวเองต่กลายเป็นความเข้มแข็งไม่กลัว ต่อสู้สะเทือนบกสะเทือนน้าได้ชีวิตจะต้องเกิดจากการกระทําทั้งหมดในเรียกว่าประสบการณ์และบทเรียนช่วยเหลือตัวเองพึ่งตัวเองได้การปฏิบัติธรรมในการเจริญสติปัฏฐานดูกายเนี่ยมีกิยาที่ดูที่เห็นสร้างความรู้อยู่บ่อยๆให้เกิดความรู้อยู่บ่อยๆกิยาก็มีท่าทางก็มี การสัมผัสเป็นรูปธรรมจริงจริงมือวางไว้บนเข่าก็วางไว้จริงจรงแต่แคงมือตั้งไว้ก็บตะแคงจริงๆริยกมือขึ้นกับกิริยาที่ยกออกเคลื่อนไหวไปมาก็บรูปจริงๆในมันกวนๆสักหน่อยปวดขาปวดแขนปวดหลงังปวดเอวปวดไหลตาก็ไม่ต้องหลับหลายๆอย่างที่เราเจริญสติ สิ่งที่ทำให้เกิดความหลงก็มีหลายอย่างเพราะเราไม่กล่อมเราเห็นความงงเขาหัานอนความเบื่อความปวดความเมื่อยอะไรต่างๆเราลู่เราลู่สึกตัวทางกายทางใจไปพร้อมๆกันทางรูปทางนามไปพร้อมๆกันไปพร้อมๆกันเห็นเวทนาทาเวทนาเกี่ยวกับเวทนา เวทนาไม่ขวางกั้นเห็นจิตจ right ิตก็ไม่ขวางกั้นเห็นธรรมธรรมก็ไม่ขวางกั้นข้ามร่วงไปข้ามร่วงไปเอาไปมาก็เห็นสิ่งที่มันขวางกั้นเป็นปัญญาเป็นปัญญาไปเห็นลูกที่มันเคลื่อนมันไหวเห็นอาการเคลื่อนไหวมันเคลื่อนไหวเป็นมันเป็นสุขเป็นมันเป็นทุกข์เป็น เอาไปมาเอาสิ่งเหล่านี่มาเป็นปัญญาเป็นปัญญาความสุขก็ทําให้เกิดปัญญาความทุกข์ก็ทําให้เกิดปัญญาเกลียดตัณหาขมโก่นโลภหลงทําให้เกิดปัญญามันก็พูดก่อนก่อนก่อนอันเก่าอันเก่ามว่ามันเห็นอันเก่าผ่านหน้าผ่านตาอยู่เส ม, เมอมันก็เกิดปัญญาลู่แจ้งแค่นั้นเองแค่นั้นเองเราแจ้ง เรียบแล้วนะผูกขาตรงไหนก็เรียบตรงนั้นข้ามล่วงตรงนั้นการข้ามล่วงการทำสิยงที่มันผูกาให้มันเรียบนะั่นเรียกว่าปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติอย่าทอดถอยอย่าไปโอยบางคนเอาหลังเอาแขนมาอ้างว่าปวดหลังปวดเอวบางคนก็เอาลูกเอาล้านมาอ้างว่ายงยาก เอาความยากเอาความง่ายทำอะไรลงไปง่ายไหมถ้าง่ายก็เออดีถ้ายากก็ไม่สู้มันยังครุขะ่ะไม้แต่ความง่ายก็กขรุข่ะความยากกข็ขรุข่ะพอทำอะไรลงไปเนี่ยเอาความคิดเอาความคิดทำตามความคิด ถ้ายากก็เป็นความคิดถ้าง่ายก็เป็นความคิดถ้าได้ก็เป็นความคิดถ้าไม่ได้ก็เป็นความคิดถ้าผิดก็เป็นความคิดถ้าถูกก็เป็นความคิดถ้ารู้ก็เป็นความคิดถ้าไม่รู้ก็เป็นความคิดหรือว่ามันไม่ใช่ของจริงแบบนั้นเอาไปมาสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ความคิดเลยมันเกิดจากการกระทา เกิดกาจังเกิดจ่ากาจกระทํากลายมาเป็นปัญญาทั้งหมดง่ายก็เป็นปัญญายากกว่าเป็นปัญญาผิดก็เป็นปัญญาถูกก็เป็นปัญญาเมันรู้ไปรู้ไปรู้ไปความคิดอาจจะอาจจะยากกว่าการกระทําบางอย่างการกระทําอาจจะยากกว่าความคิดโดยพอภาคปฏิบัติการกระทํางในง่ายกว่าความคิดเห็นความโกรธรู้สึกตัวแต่มันง่ายกว่าความคิด บางทีเราไปคิดว่าทําไม่ได้ทําไมได้พอทําลงไปจริงๆมันทําได้ความโกรธความโลภความหลงกิเลสตัณหากิเลสพันห้าตัณหาลอยแปดยากเดือกับความคิดพอเรามาทําลงไปมันก็ไม่มีอะไรไม่เห็นมีอะไรพอเรามองโป้เขาพอไปถึงหลังเขาเรามันก็ไม่มีอะไรมันไม่ใช่ เอาความคิดมนเป็นการตอบเอาเหตุเอาผลภาคปฏิบัติมันก็แค่นี้เลยเนี่ยมันก็มีแต่สติเท่านั้นที่สุดที่สุดก็มีแต่สติเท่านั้นมันมีความสะดวกาภาคปฏิบัติจริงๆนะมันก็พอสะดวก เริ่มือสร้างจังหวะยกมือเคลื่อนไหวไปมามก็เคลื่อนไหวง่ายๆไม่ใช่เอาความคิดมาเกี่ยวฉันชอบไม่ชอบอย่างนี้ฉันชอบแบบนี้ไม่สร้างจังหวะได้ไหมนั่งดูลมหายใจได้ไหมนั่งอยู่นิ่งๆได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันนั่นก็ความคิดแล้วไม่ใช่การกระทําแล้วก็ทําตามความคิดเราทำตามความคิดไม่อยากทําอะไรอยากทําแบบนี้อยากทําแบบนี้ มันก็เลยยากกับความคิดแต่เมื่อทําลงไปมันไม่ได้ยากเกับความคิดเอาความคิดม า, ายุ่งเกินไปในภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติไปต้องไปเอาความคิดม า, ายุง่งไปต้องไปอ <Guess. S 1> เอาเหตุเอาผลมายุ่งยากเอาผู้เอาคนตัวตนบุคคลสถานที่ไหนก็ตามรู้สึกตัวได้ท่างนั้นรู้สึกตัวได้ทั้งนั้ น, น, นเอาภายนอกมาเป็นวัตถุที่รู้สึกตัวเอาภายในมาเป็นความรู้สึกตัว เคลื่อนไหวมาเป็นความรู้สึกตัวการเคลื่อนไหวไปนอกเสียงแวดล้อมรู้สึกตัวรู้สึกตัวได้แลุยลุยไปอย่างนี้ปฏิบัติธรรมลุยลุยไปสักน้อยมีสิ่งที่ทําให้เราลุยข้ามล่วงไปมันก็แจกกล้าก็เจงขึ้นมาเอาไปเอามาอันที่เราเชื่อว่ามันยากก็หายไปไหนก็ไม่รู้เช่นความโกรธความโลภความหลง หายไปเมื่ อ, อไรไม่รู้อพอมีสติแล้วคิดถ้าก็จะไม่เห็นนั่นแหละเวลาเราปฏิบัติจริงจริงยิ่งมาได้หลักได้ฐานพบสูตรเป็นสูตรสูตรของรูปสูตรของนามอได้หลักสูตรของรูปได้หลักสูตรของนามรูปหมดรูปครบรู ป, รปท้วน ไม่มีอะไรมันก็เป็นลูกเป็นนามความโกรธความโลภความหลงความรักความชังความวิตกความวนุนกิเลสตัณหาไม่มีทีตตต่ตั้งจะตั้งไว้ตรงไหนก็ไม่มีให้ตัง้งมันเป็นลูกมันเป็นนาม <c oughs> มันเป็นอาการมันเป็นธรรมชาติจินเร่าสูบุรีมันหายไปไหนก็ไม่รู้ความทุกข์ท่องปวงมันหายไปไหนก็ไม่รู้ เคทุกข์เพราะเรื่องนั่นเคยสุขเพราะเรื่องนี้อ้ามันหายไปไหนก็ไม่รู้คิดถาไม่เห็นหรือจะปรุงแต่งให้มันรักมันชังมันก็ขมขืนมันไม่ถูกมันไม่ถูกความหลงก็ไม่ถูกความทุกขก็ไม่ถูกความโกรธก็ไม่ถูกปรุงแต่งให้รักใครชังมันก็ไม่ถูกมันไปไม่ได้เพราะมันไม่ถูกมันไม่ออกมันไม่รู้เรื่องกับ ความถูกต้องความถูกต้องไม่เลยมันไม่รู้เรื่องความโกรธความโลภความหลงมันกับคอมพิวเตอร์มันกับเครื่องมือการทํางานเราไปกดเอาเงินในตู้เขาเขาก็บอกว่าไปรู้เรื่องเขาไม่ให้เราพราะมันไม่ถูกต้องมันเถื่อนความโกรธความโลภความหลงความอะไรต่างๆมันเถื่อน อันไม่ชอบอเมื่อเราพบเห็นเมื่อเราสร้างไปสร้างไปรู้สึกตัวไปรู้สึกตัวไปข้างหน้าข้างหลังก็เลียบไปปัจจุบันเลียบไปอดีตก็เลียบไปอนาคตก็เลียบไปเพาะมันสมรูนสมบูรณ์ว่าปฏิบัติชีวิตเป็นๆ เ, เอาลูกเอานามเอากายเอาใจมาสร้าง ความผิดความถูกอะไรปัญหาต่างๆเกิดที่รูปที่นามเกิดที่กายที่ใจเห็นแล้วเห็นอีกมันก็โชว์ให้เห็นอยู่เรื่อยแล้วก็เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นอยู่เรื่อยนไปอย่างนี้ปฏิบัติทำกันเรียบไปเลยพาให้เรียบพอความรู้สึกตัวพอให้เรียบมันหลงก็หลงมันรู้ ก, ก็รู้นะมันเรียบไปยไง ยินดียินไล่มันก็รู้เนี่มันเรียบไปแล้วโกตรโลบหลงกัเรียบไปแล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ใช่สติสติทําให้เรียบไม่ใช่ไปเบนไปทางอื่นต้อมีสติคู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเวลาปฏิบัตินั่นเรียกว่าปฏิบัติพบเห็นกับสิ่งต่างๆในเวลาปฏิบัติมีสติเข้าไป เกี่ยวข้องทุกเรื่องทุกราวไม่ปฏิเสธไม่กบเกลื่อนไม่กลบเกลื่อนไม่มีปัญหาก็มีปัญญาไม่กลบเกลื่อ น, หญญอนให้มันหลงลงไปให้มันทุกข์ลงไปให้มันวิตกกังวลลงไปให้มันมีโรคภัยไข้เจ็บลงไปให้ปัญหาลงไปสุขภาพอะไรลงไป เอาเลยมันจะเป็นอะไรรู้สึกตัวไปก่อนรู้สึกตัวไปก่อนมาทางนี้เข้าทางซะ ก, ก่อนอย่าออกทางมาเข้าทางอ่ากิริยาขอมียกมือเคลื่อนไหวไปมามันมีอยู่ผมรู้สึกตัวขนาดที่ยกมือมันเป็นจั๊บบันมันก็ทําได้อยู่มาทางนี้ก่อนไปทางนี้ก่อนหัดเดินทางนี้ก่อนหัดนิดสัยหัดปัจจัย Sí Always, เคยเคยลูบหลงตรงไหนเคยลู่ผิดตรงไหนเคยลูบทุกตรงไหนเคยลูบสุขตรงไหนเคยลูบอะไรต่างๆทั้งที่มันเกิดขึ้นน่ยมันก็เคยลู่เคยลูบมันก็มาทางนี่แหละวะแต่ก่อนผิดตรงไหนเคยหลงถูกตรงไหนเคยหลงทุกตรงไหนเคยหลงไปรวมมือกับสิ่งต่างๆบบนี้มาลูกมาลูบเน่ยเดี๋ยว่าปฏิบัต ปฏิบัติคือทําอย่างนี้นะมันไม่ยากไม่ต้องไปเข็นไปขนอะไรรู้สึกตัวเนี่ยมันสะดวกสะดวกโกรธหลงสะดวกโกรธสุขสะดวกโกรธทุกข์สุ ข, สขทุกข์หลง ย, ยินดีเย็นเล่ยมันมันลําบากนะสัมผัส ด, ดูแล้วมันลําบากมันเก็บมันเก็บมันปวดแต่รู้สึกตัวเนี่ยมันหายหายโลกนะ ลงต้องน้อรู้สึกตัวโกรธต้องน้อยรู้สึกตัวทุกต้องน้อยรู้สึกตัวมันหายทำไมหายไปไม่ปฏิบัติทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ให้มันเป็นทําให้มันเป็นไม่ใช่ความรู้นะทําให้มันเป็นมันหลงหรือรู้สึกตัวอี่ยทําเป็นไหยมันโกรธหรือรู้สึกตัวทําเป็นไว้มันโลภมันหลงมันรักมันชังมันวิตกกังวลเศรมองรู้สึกตัวทําให้มันเป็นตรงไหน ถ้าไม่ทำตรงนี้มันก็ไปไม่ถึงไหนยังจำเบ้าอยู่ที่เดิมหลงก็ใหญ่โตทุกข์ก็ใหญ่โตข้องอยู่ตรงนั้นติดอยู่ตรงนั้นรู้สึกตัวเนี่ยไม่ต้องไปสีประสามันละรู้สึกตัวสร้างเจ้าว่าไปก่อนเอสิบสี่เจ้ว่าเอาไปก่อน ลำดับไปก่อนเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งไปเหมนกับเราทางานเหมือนกเราตื่นขึ้นมาก่อไฟหุงข้าวหนึ่งก่อไฟสองนำ ใ, ใส่หม้อนึองสามสาวข้าวใส่ขวดตะโยกมาใส่มหม้อนึองมันมีจังหวะไปจึงจะเป็นการเนึ่งข้าวหุงข้าวมันจึงจะได้กิน ไม่ใช่ว่าไปทําอะไรกคああเกิดอ่อนแออยู่นั่นเอาความขี้เกียจเอาความยากลําดับเขามีไปแล้วการนึ่งข้าวการหุงข้าวต้องทําให้มันเป็นจังหวะไปมันจึงจะได้ข้าวมอยกินไปมัวแต่ยุ่งแต่ยากไปมัวแต่ลําบากมันไม่ได้ข้าวกรินแล้วก็ได้ข้าวจรินก็ได้ด้วยความยากลําบาก ท, ท, ทั้งที่ไม่จําเป็นหุงข้าวก็หุงข้าวสะกนึ่งข้าวก็นึ่งข้าวสัก อยาให้มันเป็นอันเดินไปมันลำดับไปหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองไปการปฏิบัติก็เป็นเช่นนั้นหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองไปเอาลู่เอกเอาลู่เอกไปมันลงกับมาลู่เอกไปสร้างลู่อยู่เรื่อยสร้างตัวลู่อยู่เรื่อยเอาไปเอามาตัวลู่ัวลู่โตลูตัวลู่ชำนีชำนานใหญ่โตขึ้นมาเห็นอะไรต่างๆไม่มีที่หลบไม่มีที่บัง มันไม่เหมือนกับสร้างความสงบนะการทำให้สงบไม่ได้เห็นอะไรดอกพอกสงบอยู่ชั่วโมงสองชั่วโมงออกจากความสงบมาแล้วก็ต้องรักษาต้องระวังต้องคอยต้องย่องต้องทำอะไรอยู่กิริยาที่ทำยังไม่เป็นสากลตปฏิบัติธรรมนะต้อง มีงานมีการทํางานให้มันสําเร็จมีงานทําทํางานให้มันสําเร็จสําเร็จสําเร็จไปความหลงทําความหลงให้รู้สําเร็จไปแล้วความทุกข์ทำความทุกข์ให้รู้ว่าสําเร็จไปแล้วทุกเท่าไรรู้เท่านั้นหลงเท่าไรรู้เท่านั้นปัญหาอยู่ที่ไหนรู้เท่านั้นรู้เท่านั้นรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วหลายหลายอย่างรู้แล้วรู้อันเก่าอันไหนอันไหนก็อันเก่าควงโกรธก่อันเก่าความโลภก็อนเก่าควาหลงก่อนเก สุก ส, กสกุทุกท ก, ก่อนเก่าลรารู้แล้วเราได้รู้แล้วเรตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ก้าวแรกเพีเดียวเป็นได้หลักได้ฐานเห็นรูปทำเห็นน้ำทำเห็นรูปทุกเห็นน้ำทุกเห็นรูปทำเห็นน้ำทำก็เอารู ป, เ อ, รปเอาน้ำทำความดีเห็นรูปทุกน้ำทุกมันก็มันก็ช่วยรูปที่มันเป็นทุกช่วยน้ำที่มันเป็นทุก ให้เป็นความรู้สึกตัวเห็นโลกโลกตามโลกเห็นสมมติเห็นบัญญัติทั้งหลายทั้งหลายที่มันเป็นสมมุติบัญญัติมันคล่องมันติดมันอทําให้หลงอยู่ตรงนั้นสมมุติบัญญัติที่เป็นรู ป, ปรธรรมสมมุติบัญญัติที่เป็นนามธรรมสมมติบัญญัติที่เป็นนามธรรมา เกิดขึ้นจากความคิดปรุงแต่งสำคัญมั่นหมายว่าดีว่าไม่ดีว่าชอบว่าไม่ชอบอันนี้ฉันชอบอันนี้ฉันไม่ชอบคนนั่นฉันชอบคนนั่นฉันไม่ชอบสมมติบัญญัติทั้งนั้นอันนั้นวัตถุอันนั้ น, น, นงามวัตถุอันนี้นขี้เละสัตว์ตัวนั้นงามสัตว์ตัวนี้นดี คำพูดจากนั้นดีคำพูดจากนี้ไม่ดีเอามาคล้องมาติดกับสมมุติบัญญตัติให้สมมุติปัญญัติผูกมัดลัดลึงในเป็นนามธรรมที่เป็นรูปธรรมเห็นสมมุตดลือสอนสมมุติเบาวิวอะไรแันเบาวิวเลยวัตถุอาการต่างๆในชีวิตของเรก็มีวัตถุมีอาการ วัตถุภายในมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีจิตวัตถุภายนอกไม่ลูกมีรสม่กิ่นมีเสียงดินฝ้าอากาศภูเขาป่าไม้แผ่นดินดวงอาทิตย์ฝนตกลงมาลมหนาวแสงแดดโอมันไม่ใช่เกี่ยวมันไม่ใช่เราคนเดียวมันมีอะไรหลายหลอย่างเราเดินไปมันลื่นมันหกมันล่มโอ้มันมีเอาวัตถุอาการที่เป็น สมบัิของโลกเปิดว่าผ่าเกิดลมเกิดฝนแรงเกิดน้ำท่วมโอ้มันเป็นวัตถุอาการทั้งหลายทั้งหลายถึงเรานั่นเราเห็นอะไหบไ ม, ไม่ไม่เอามาเป็นทุกข์ถึงเราเดินไปล้มหัวแตกโอ้เพราะมันมีวัตถุอาการมีเหตุมีปัจจัยเพราะสิ่งนั้นมีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ไม่เพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีมันเห็นธรรม เห็นปฏิจจสมุปบาท ต, ต่อเนื่องกันไปเห็นสมมุติเห็นวันหยาดเห็นวัตถุอาการเห็นปรมัตารย์ปรมัตา์คือความจริงความโกรธไม่จริงความไม่โกรธจริงกว่าความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์จริงความหลงไม่จริงความไม่หลงเป็นของจริงนะประมัตา์มันก็มีอยู่ขี่คอมันไปอยู่ปรมาจารย์แต่ก่อนเราไม่เห็นของจริง ทั้สุขทั้งทุกข์ก็มาเห็นจริงสุขก็ยังเป็นสุขทุกข์ก็ยังเป็นทุกข์เรียกว่าไม่เห็นของจริงมันก็เปลี่ยนกันอยู่เปลี่ยนความเป็นใหญ่อยู่วันนี้เราเห็นแล้วเราเป็นใหญ่แล้วมีสติอินทรีย์เป็นใหญ่แล้วานะเรียกว่าลื้อถอนสมมุติบัญญัติวัตถุอาการปรรมัดนะ <c oughs> ปรรมัดสัจจะ เห็นบุญเห็นกุศลกุศลต่อกุศลไม่กุศลต่อกุศลกุศลต่อกุศลนีสองอันเท่านี้กุศลทางกายกุศลทางวาจากุศลทางจิตอกุศลทางกายกุศลทางวาจาอกุศลทางจิตคือบาปคือบุญความฉลาดความโง่ความฉลาดความโง่ทางกายทางวาจาทางจิต ผู้รู้แล้วก็โอ้ก <uw> ุศลทางกายแล้วกุศลทางวาจากุศลทางกิจต้องแสดงไปในท้องแสดงแสดงแล้วไปพอต้องช่วยกันต้องไม่เมตตากรุณาสร้างกุศลทางวาจาคนพูดเสียงใดมีเมตตากรุณาทำเสียงใดไม่เมตตากรุณาคิดเสียงใดไม่เมตตากรุณาเป็นกุศลทางกายทางวาจาทางกิจนั้นสะอาดบริสุทธิ์หมดจด พบศิลพบธรรมได้ที่อยู่มีเมตตากรุณาไม่ขาดแคลนไม่ขาดแคลนมิตรภาพราบเรียบในชีวิตไม่ผูผูแผบแผ บ, บมันคงชีวิตมันคงเนี่นชีวิตของเรามันคงก็เป็นประโยชน์ต่อหลายๆอย่างทำความดีไปเรื่อย อะไรที่เป็นความดีทางกายอะไรที่เป็นความดีทางวาจจอะไรที่เป็นความดีทางกิจใจเอากายเอาใจเอาลูเอานามมาทำความดีได้สำเร็จนะอ่าสำเร็จนะี่ชีวิตของเราต้องเป็นอย่างนี้ในปัจจุบันหายใจเข้าหายใจออกเป็นปัจจุบันมีชีวิตทำความดีมีชีวิตที่เป็นประโยชน์จะน้อยก็ประโย ช, ชน์ตนประโย ช, ชน์ท่านประโย ช, ชน์ แโลกประโยชน์แ่พระศาส น, า, นาปฏิบัติธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมเริ่มต้นจากการเจริญสติดูกายดูใจมันก็ไปได้มันก็ก้าวแรกมันก็พาเร า, เราไปเราไปเราไปลู้น้อยน้อยความลู้น้อยน้อยมันกักบกำเนิดมันกับเมล็ดแห่งโพธิเอาไปมากองอกงามไปงอกงามแบบโพธิโพธิโพธิ คิดชอบฉายาของเจ้าคุณพระราชโพธิอะไรเจ้า ว, วาดปทยพุทธคยา <c oughs> ตั้งชื่อฉายาให้พระสงฆ์โวัดใหม่ลงท่ายโดยโพธิโพ ธ, ธิสุวรรณโพธิอัตต์ประวัติโนโพธิ อรักษ์โนโพธิโอ้โพธิโพธิมันก็ชอบดีแลนะ้โพธิโพธิเนี่ยไม่ขาดไม่แคลนไม่เชื่อเชื่อโพธิโพธิคือปัญญาคือการหลุดพ้โโโโโนโพธิโพธิเนี่ยนะโอ้สนุกเยพุทธธรรมเนาะอ่ะกับพระพร้อมกัน